บทที่สามสิบห้าอโศกปัญหาโลกไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อเป็นาธาตุของตันหาคำนี้แววอยู่ในโสตประสาทแห่งจอมราชันตลอดเวลาแม้พระองค์จะเข้าสู่พระแท่นบัรทมแล้วก็หาได้ก้าวลงสู่นิทรารมอันสนิทไม้ พระองค์ได้ทรงสำนึกได้ว่าปล่อยตนให้เป็นทาตของตัณหามาเป็นเวลานานจริงอยู่โดยสายตายแห่งชาวโลกทั่วไปพระองค์ทรงเป็นอิสราทิบดีเป็นใหญ่ในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลมีค่าทาตบริวารมากมายในปตตพีมนทนนี้อะไรเล่าที่พระองค์ประสงค์แล้วจะไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งมีอำนาจเหนือพระองค์อยู่คือความดิ้นรน พระองค์เป็นผู้มีอำนาจแต่ความดิ้นรนมีอำนาจเหนือพระองค์พระองค์ต้องตกเป็นทาตแห่งตันหาแน่นอนถ้าพระองค์ไม่รีบกำจัดมันเสียบ้างมันจะต้องฉุดกระชากลากพระองค์ไปลากไปและลากไปสมเณรนิโครธจะ ย, ยังไม่อธิบายว่ามนุษย์เราเป็นทาตของตันหาอย่างไร แต่จอมจั ก, กพัดเมื่อทรงทราบลักษณะของตันหาแล้วก็พอเข้าพระทัยได้ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่สมยอมให้ตันหามีอำนาจเหนือตนยอมตนให้เป็นทาตของกิเลสตันหาอย่างไม่มีข้อทักท้วงไม่ดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากความเป็นทาตของตันหานั้นเรากลัวกันแต่ความเป็นทาตทางกายแต่ทาตทางใจเราสมยอม เราปล่อยให้นายอันธารุนคือกิเลสย่ำยีเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ทุกวันเรายอมเหน็ดเหนื่อยยอมเสี่ยงชีวิตเสี่ยงต่อทุกทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่ออะไรบางทีก็เพียงเพื่อหารัชนญารมโลกียารมมาปลนเปลือนนายอันธารุนของเราความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับจากสิ่งนั้นก็เป็นเพียงรางวัลเล็กๆน้อยๆ ที่นายผู้เหี้ยมโหดโปรยให้เป็นเหยื่อล่อไว้ให้เราต่อไปนายคือกิเลสจึงเป็นนายที่ทารุณกว่าผู้ทารุณใดๆเพราะมันทำให้เราต้องรับหกระเหนินบอบช้าทุกทรมานครั้งแล้วครั้งเล่าชาิแล้วชาิเล่ า, า, ลานอกจากดิ้นรนอยากได้สิ่งต่า ง, างอารมณ์ต่างชนิดแล้วมนุษย์เรายังดิ้นรนอยากเป็นสิ่งที่ ตัวยังไม่ได้เป็นเมื่อได้เป็นแล้วก็พอใจหรือเปล่าเลยเขาดิ้นรนเพื่อเป็นอย่างอื่นต่อไปอีกกระยิมยินดีต่ออารมณ์ใหม่ภาวะใหม่ซึ่งยังไม่ได้มีไม่ได้เป็นมองเห็นผู้อื่นมีความสุขกว่าตัวไปเสียหมดความสุขของเราจึงเป็นสิ่งที่เราเห็นยากเพราะไม่พอความสุขของผู้อื่นเราเห็นง่าย แต่น้อยเหลือเกินที่จะมองเห็นความทุกข์ซึ่งสุมอยู่ในอกของผู้อื่นเรายังลังเลในข้อที่ว่าไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบและด้วยอาการลังเลนั้นเองที่ทำให้เราดิ่งลงไปดิ่งลงไปเพื่อคลุกกับความเพลิดเพลินอันวุ่นวายอาพรมะลังมะเลืองกลิ่นสาบครรวะคนด้วยเหยื่อโลกี ดนตรีทํานองเร่งร้าวย่วยวยุอารมณ์ให้ตเตลิดในบรรยากาศอันซึมด้วยความเย็ยนเนรมิตสิ่งที่พวกเราพากันโป้ปดตัวเองอย่างแนบเนียนว่าสุขยิ่งความไม่รู้คืออวิชชานั่นเองเป็นอาหารอันโอชะของภวะตันหาความดิ้นรนอยากเป็นไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่รู้อนาคตชีวิตเบื้องหน้าจะเป็นอย่างไร การได้เป็นตามความอยากบางอย่างเป็นการนำตัวเข้าไปหาอันตรายเราจึงมักได้ยินเสมอว่าถ้ารู้อย่างนี้เสียก่อนคงไม่มาเป็นอย่างนี้สภาพการเหมือนคนเดินอยู่ในความมืดในราตรีที่ฝนตกหนักพายุแรงทางก็เจือด้วยสัตว์ร้ายและขวากน้าผู้เดินทางอยู่บนเส้นทางชีวิตมัตตกอยู่ในลักษณะนี้จึงยากที่จะเห็นความจริง อีกประการหนึ่งความจริงเป็นสิ่งของซ่อนเร้นค้นหาได้ยากมีสิ่งมากมายหลายอย่างที่คอยเป็นฉากกำบังความจริงไว้เพราะการค้นคว้าหาความจริงไม่พบเพราะความมืดในมรรคแห่งชีวิตนี่เองจึงทำให้เราต้องตัดสินใจผิดดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดกว่าแสงสว่างจะเกิดขึ้นให้เราเห็นว่าทางไหนถูกทางไหนผิด บางทีก็เปลืองเวลาไปเกือบค้อนหรือบางคนหลงทางอยู่จนอายุไขชีวิตดับจอมจั ก, กรพัทอโศกได้สำรวจวิถีชีวิตของพระองค์แต่ต้นมาจนบัดนี้ทำให้พระองค์ต้องสะท้อนถอนพระทยัยสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำไปแล้วนั้น เป็นการตัดสินพระไทยที่ถูกหรือผิดพระองค์ได้หลงทางมาแล้วนานเท่าใดบัดนี้แสงสัวแห่งความจริงในเรื่องชีวิตกำลังส่องสาดเข้าภายใต้หาไทยของพระองค์บ้างแล้วและมีทีท่าว่าจะเริงรองขึ้นทีละน้อยพระองค์ทรงสดับเกียรติคนของพระมหาเถระนามโมคัลีบุตรซึ่งพำนักอยู่ณนะอุทโทตังขบรรพศ ทางตอนต้นแห่งแม่น้ำคงคาว่าเป็นมหาเถระผู้มีศีลบริสุทธ์สำรวมในพระปาติโมกสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยเป็นพระหูสูตรเล่าเรียนพุทธพจน์มามากทรงจำไว้ได้มากว่าได้ครองมันพินิจจารณาธรรมและแทงทะลุ ป, ปุปโปรงไม่ติดขัด เพียบพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่ประการคือ 1. อัตตาปฏิสัมพิทาแตกฉานในเหตุรู้ว่าเหตุอันนี้จะทำให้เกิดผลอย่างไร 2. ธรรมปฏิสัมพิทาแตกฉานในผลรู้ว่าผลอย่างนี้จะมีเพราะเหตุอันใด 3. ปฏิพานปฏิสัมพิทา แตกฉานในการโต้อตอบปัญหามีไหวพริบดีสามารถแก้ปัญหาและเหตุขัดข้องได้ทันท่วงที 4. นิรุติปฏิสัมพิธาแตกฉานในการใช้ภาษาให้เป็นที่เข้าใจง่ายแก่ผู้ฟังใช้ภาษาไพเราะนุ่มนวลชวนให้คล้อยตามเปร่งวาจาออกมาโดยไม่ติดขัดพระมหาเถระ เพียบพร้อมด้วยอภิญญาหกคือ 1. ทิพยโสตหูทิพสามารถรับฟังเสียงได้ไกลอันเหลือวิสัยของมนุษย์ธรรมดา 2. เจโตปริยญาณสามารถรู้วาระจิตของผู้อื่นว่ามีความคิดอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไร 3. บุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถ ระลึกชาติก่อนได้ย้อนหลังไปเป็นอันมาก 4. จุดตูปปาตายานสามารถรู้ว่าสัตว์พวกใดทำกรรมชนิดใดจะไปเกิดนะกำเนิดใด 5. ้อิทธิวิธีแสดงลิศได้ต่างๆเช่นคนเดียวสามารถทำให้ผู้อื่นมองเห็นเป็นหลายคน 6. อาสวัคยายาน ความรู้ที่ทำให้กิเลสหมดสิ้นไปไม่มีเชื้อเพื่อเกิดในภพใดๆอีกเมื่อทรงสดับว่าพระมหาเถระโมคคลีบุตรเป็นผู้ประดับด้วยคุณมีศีลเป็นต้นดังนี้แล้วมีพระประสงค์จะได้สนทนาด้วยจึงรับสั่งให้สาสวา์ไปอารัธนาพระมหาเถระมาสู่พระราชนิเวศ สาสวัตรรับพระราชองค์การเหนือกล้าวแล้วไปสู่อุโทตังขบันพศอันเป็นสำนักของพระเถราจารย์ความเปลี่ยนแปลงของพระราชาก่อความปลาบปลื้มให้เกิดแก่สาสวัต์อย่างใหญ่หลวงเขาเองผู้มีอธัธยาศัยโน้มเอียงไปในทางธรรมอยู่แล้ว จึงรู้สึกอบอุ่นเหมือนอาบแสงแดดในหน้าหนาวผู้ใครทธรรมทุกคนย่อมมีความสุขกลุม่มเมื่อรู้สึกว่าผู้ใดผู้หนึ่งกำลังใครทธรรมรแห่งธรรมปรากฏแก่ใจของผู้ใดผู้นั้นย่อมรู้สึกด้วยตนเองว่าเลิศกว่ารถทั้งปวงไม่จืดไม่น่าเบื่อธรรมแสดงสัจจะแห่งชีวิตซึ่งไม่มีอะไรเสมอเหมือนเป็นทางแห่งความเจริญสุข ความร่มเย็นคนจะเป็นผู้เสื่อมหรือผู้เจริญก็ดูได้ง่ายคือผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมการกินการนอนสัญชาตญาณในการหลบเหลีกภัยและการประกอบกิจกรรมระหว่างเพศนั้นมีเสมอกันทั้งในมนุษย์และสัตว์ดิรัชาน ธรรมนั้นเองทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานอย่างมากมนุษย์ที่ไร้ธรรมควรจะภาคภูมิและหรือว่าตนวิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานอุดโทตังคับบันพต ง, งานทะมินอยู่เบื้องหน้าหมู่ไม้ขจีพันเรียงรายลดหลั่นเป็นชั้นเชิงตามความลาดแห่งไหลเขามีทางขึ้นทำด้วยศิลาเป็นบันได เงาแดดเริ่มยาวออกไปสู่ทิศตะวันออกความร่มรื่นแผ่ปกคลุมไปตามความยาวของเงานั้นสาสวัตและเวนุบาลหยุดพักนเชิงเขาครู่หนึ่งฟังเสียงนกร้องมองดูหมูปพืึกก่อให้เกิดความรู้สึกรื่นรมใจรู้สึกว่าอากาศบริสุทธิ์โปร่งสบายน่าอภิรมกว่าบรรยากาศในบ้านเมืองอย่างมาก นี่เองกระมังที่ท่านผู้ายสงบจึงสยบตนอยู่ในป่ามากกว่าการอยู่ในบ้านในเมืองซึ่งยัดเยียดด้วยหมู่คนเกลื่อนกลนด้วยฝนละอองและกลิ่นคาวนานาประการป่าอันเป็นที่หวาดกลัวเบื่อหน่ายยิ่งนักของผู้พอใจอยู่ในความเมาแต่เป็นที่อภิรมย์อย่างยิ่งในลาวมุนีปานประหนึ่งสะโบกกรณี เป็นที่เบื่อหน่ายของลาวกาแต่เป็นสถานที่สเสน่หาของพญาหงลงหากินพระมหาเถราโมคคลีบุตรได้ทราบเรื่องโดยตลอดจากสาสวัส์และเวนุบาลแล้วมีจิตอนุโมทนามาสู่พระราชนิเวศโดยยานอันพระเจ้าอาโศกทรงส่งไปเมื่อถวายปานะอันควรแกะสมณะบริโภคแล้ว และสารานียกถาสัมโมทนียกถาได้ผ่านไปแล้วพระเจ้าอาโศกจึงตรัสถามพระเถระว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าปลื้มใจยิ่งนักที่ได้เห็นพระคุณเจ้าข้าพเจ้าได้ยินกิตติศัพท์เล่าลือมานานแล้วเป็นมงคลแห่งจักสุ ข, ของข้าพเจ้ายิ่งนักที่ได้เห็นสมณะผู้สงบหากไม่เป็นการรบกวน ข้าพเจ้าใคร่ขอถามข้อข้องใจบางประการเมื่อพระมหาเถระดุษณีอยู่เป็นเชิงอนุญาตพระราชาจึงตรัสถามว่าพระคุณเจ้าจำเป็นหรือที่บุคคลจะต้องนับถือศาสนาใดศ า, าสนาหนึ่งขอถวายพระพรพระองค์ทรงเห็นว่าจำเป็นหรือไม่ที่บุคคลจะต้องมีหลักใจและหลักในการครองชีวิต พระเถระถวายปฏิปุชาพยากรณ์ข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นพระคุณเจ้าถ้าจำเป็นาศาสนาก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะาศาสนาเป็นหลักใจและเป็นหลักการครองชีวิตบุคคลจึงควรมีาศาสนาที่เรียกว่ า, าศาสนานั้นต้องประกอบด้วยคุณลักษณะอย่างไราศาสนา ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะเช่นนี้มีศาสดาผู้สอนมีประวัติความเป็นมาเพื่อให้เชื่อถือได้มีหลักธรรมคำสอนปรากฏมีนักบวชหรือผู้เป็นศาสนาทายาทมีสถานเคารพ บ, บูชาอันจัดเป็นศาสนาสถานมีพิธีการทางศาสนา ผู้เชื่อปฏิบัติตามมีความดื่มดำในหลักคำสอนไม่เพียงแต่เรียนรู้อย่างเดียวพระคุณเจ้าบวชในศาสนาของพระมหาสมณะโคดมศาสนานี้มีคุณลักษณะดังที่พระคุณเจ้ากล่าวมาครบถ้วนทุกประการหรือขอถวายพระพร ทุกประการพระเทราถวายวิสัชนาพระพุทธศาสนาที่พระคุณเจ้าเคารพนับถือนี้หมายความว่าศาสนาพระพุทธเจ้าอย่างนั้นหรือโดยความหมายที่แท้จริงพระพุทธศาสนาหมายถึงระเบียบปฏิบัติที่ทำให้ถึงความระงับดับทุกข์โดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมตรัสตรงไปสู่ความดับโดยไม่มีเชื้อ เหลือที่เรียกว่าอนุปาทาปรินิพานแต่สำหรับผู้ที่ยังมีอธิมุิคืออธิยสัยอ่อนยังไม่แก่กล้าพอที่จะถึงอนุปาธาปริณิพานได้ก็ทรงแสดงหลักธรรมสำหรับปฏิบัติเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันและอนาคตให้เว้นสิ่งควรเว้นประพติสิ่งควรประพติและประกอบสัมมาชีพเป็นต้น พระคุณเจ้าคนไม่นับถือศาสนาใดศ า, าสนาหนึ่งจะเป็นคนดีได้หรือไม่ขอถวายพระพรได้ถ้าเขายึดความดีและหลักธรรมเป็นเครื่องดำเนินชีวิตแต่หลักธรรมเครื่องดำเนินชีวิตส่วนใหญ่ก็มาจากคําสอนของศาสดาหรือเจ้าลัทธิคนใดคนหนึ่งมนุษย์เราชอบใจธรรมของท่านผู้ใด ก็อดจะเคารพนับถือบุคคลนั้นเป็นศาสดาตนไม่ได้ศาสนาทําให้มนุษย์รวมกลุ่มสามัคคีกันทําให้ผู้อื่นได้ทราบว่าเรามีวิธีดำเนินชีวิตอย่างไรทําให้รวมกลุ่มกับผู้มีวิธีดำเนินชีวิตอย่างเดียวกันได้อย่างสนิทสนมเข้าใจกันพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันในคราวจาเป็นอนหนึ่ง ถ้าเปรียบใจของคนเหมือนน้ำาศาสนาก็เหมือนฝั่งที่คอยกั้นน้ำไม่ให้ไหลท่วมท้นออกทำลายพืชพันธ์อันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในทํานองเดียวกันกายวาจาและใจของบุคคลส่วนใหญ่มักไหลไปสู่อารมณ์ต่ำเมื่อได้หลักธรรมทางาศาสนามาช่วยกลางกั้นกล่อมกล่าวกายวาจาใจก็จะดีขึ้น อีกอย่างหนึง่งศาสนาเป็นหลักยึดที่ให้ความอบอุ่นแก่บุคคลผู้นับถือไม่ว้าเหวเกินไปแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าศาสดาของอาตมาเองก็ทรงเคารพนับถือพระธรรมที่พระองค์เองได้ตรัสรู้เป็นที่พึ่งพำนักพระคุณเจ้าเรื่องนี้ข้าพเจ้าพอเข้าใจจะขอเรียนถามต่อไปว่า ศาสนาทุกศาสนาดีเหมือนกันหมดหรือขอถวายพระพรดีไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันที่ว่าดีไม่เหมือนกันนั้นอาตมาขอเปรียบเทียบถวายแต่การเปรียบเทียบนี้ขอพระองค์อย่าทรงเข้าพระทัยว่าเป็นการยกศาสนาหนึ่งเพื่อคมศาสนาหนึ่งอาตมาเปรียบเพื่อให้เห็นข้อต่างกันเท่านั้น ศาสนาพราหมณ์ถือว่าการฆ่าสัตว์บูชายันเพื่อบูชาพระเจ้าเป็นความดีเป็นไปเพื่อความผาสุกแก่ผู้กระทำพระองค์ก็ทรงเห็นว่าในศาสนาพราหมณ์มีการฆ่าแพะกันทุกวันแต่พระพุทธเจ้าศาสนาถือว่าการฆ่าคนหรือสัตว์ไม่ว่าเพื่อบูชายันหรือเพราะความโกรธเป็นบาป พระพุทธเจ้าทรงให้เหตุผลว่าสัตว์ทุกชนิดย่อมรักชีวิตของตนเราเองก็รักชีวิตของเราจึงไม่ควรเบียดเบียนกันทํากันและกันให้เดือดร้อนนี่พระองค์ก็ทรงเห็นว่าศาสนาและศาสนาบัญญัติความดีตรงกันก็มีต่างกันก็มีข้อว่าไม่เท่ากันนั้นคือแม้ในกรณีเดียวกัน ศาสนาหลายศาสนาว่าชั่วเหมือนกันหรือว่าดีตรงกันก็ยังมีระดับสูงต่ำไม่เท่ากันบางศาสนามีขีดของความดีสูงมากแต่บางศาสนามีขีดของความดีพอประมาณบางศาสนาก็ตาำศาสนาที่ไม่ดีสอนคนให้วางหลักชีวิตผิดดำเนินชีวิตผิดจึงเหมือนโปรยยาพิษลงในบ่อน้ำทำความวอดวายแก่ปลา คำนวณไม่ได้พระคุณเจ้าคนที่นับถือศาสนาจำเป็นหรือที่ต้องบวชตามลัทธิพิธีแห่งศาสนานั้นการบวชเพื่อประสงค์สิ่งใด